การปฏิบัติธรรมเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราเป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดของพวกเราเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ใจของเราได้นอกจากการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น และไม่มีอะไรที่จะทุกข์หรือจะสุขมากกว่าใจของพวกเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้ความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถที่จะมาทําลายความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้ ความทุกข์ของใจกับความสุขของใจนี้มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ความสุขของทางร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกันหรือหลายร้อยเท่าก็ได้ที่พวกเราทุกข์กันมากนั้นไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกายแต่ทุกข์ที่ใจทุกข์ตั้งแต่ขอทานขึ้นไปจนถึงมหาเศรษฐี มีความทุกข์ที่ใจเหมือนกันความทุกข์ทางร่างกายนั้นต่างกันแต่ก็อยู่ได้กันอยู่ได้ด้วยกันขอทานก็อยู่ได้ถึงแม้จะมีความทุกข์ทางร่างกายเศรษฐีมาเศรษฐีก็อยู่ได้ถึงแม้จะมีความทุกข์ทางร่างกายแต่ที่ทนไม่ได้นั้นก็คือ ความทุกข์ทางใจพอเวลาเกิดความทุกข์ทางใจแล้วต่อให้มีความสุขทางร่างกายมากขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะมาลบล้างความทุกข์ทางใจได้ในทางตรงกันข้ามถ้ามีความสุขทางใจ คือถ้าไม่มีความทุกข์ทางใจแล้วก็จะมีความสุขทางใจและความสุขทางใจนี้ก็จะสามารถลบล้างหรือกลบความทุกข์ทางร่างกายได้เช่นความทุกข์ที่เกิดจากความอดอยากขาดแคลนความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์เหล่านี้จะไม่มีน้ำหนักสู้ความสุขทางจิตใจได้เลยผู้ที่มีความสุขทางจิตใจคือผู้ที่ได้ดับความทุกข์ทางใจได้แล้วนั้นจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับความทุกข์ทางร่างกาย เราจึงควรที่จะพยายามดับความทุกข์ทางใจเพื่อให้เกิดความสุขทางใจขึ้นมาไว้รองรับกับความทุกข์ต่างๆของทางร่างกายที่จะมีมาอยู่เรื่อยๆมีมาอยู่ไปจนกว่าร่างกายนี้จะตายไปถ้าเรามีความ สุขทางใจแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยมีน้อยจะอดอยากขาดแคลนหรือจะมั่งคั่งมั่งมีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือแก่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบหนักหรือแบบเบา ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเวลาจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจนี้จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายใจจะอยู่อย่างปกติสุขเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไม่เหมือนเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดังนั้นการปฏิบัติ ทำเพื่อดับความทุกข์ใจนี้จึงเป็นภารกิจที่พวกเราควรที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้เพราะว่าพวกเราไม่ค่อยได้ทำภารกิจอันนี้กันเพราะถูกความหลงหลอกให้ไปทำภารกิจทางร่างกายไปทำรูปบำรงดูแล ร, รักษา ความสุขทางร่างกายพอเวลาเกิดความทุกข์ทางร่างกายก็เกิดความทุกข์ทางใจซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่ทรมานนั้นไม่ใช่เป็นเพราะความทุกข์ของทางร่างกายแต่เป็นความทุกข์ของทางใจเพราะไม่เคยสนใจให้กับการปฏิบัติ เพื่อดับความทุกข์ของใจนั่นเองมีแต่พยายามที่จะหาความสุขให้กับทางร่างกายแล้วก็พยายามดับความทุกข์ของทางร่างกายจึงลืมความสําคัญของการปฏิบัติธรรมเพื่อดับความทุกข์ทางใจกันเราจึงมีความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆ เพราะว่านอกจากความทุกข์ที่เกิดจากความแปรปรวนของฐานร่างกายแล้วยังมีความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากอีกที่เราหลงไปคิดว่าเป็นการหาความสุขให้กับเรากันที่เราอยากได้สิ่งนั่นสิ่งนี้ก็เพราะคิดว่า ถ้าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วเราจะมีความสุขแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าขณะที่เราเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราเริ่มมีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราแล้วใจของเราจะกะวนกวายกระสับกระสายคอยจ้องคอยมองรอสิ่งที่อยากได้อันนี้ก็เป็นความทุกข์แล้ว อยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วถ้าอยากจะได้รองเท้าคู่ใหม่ได้รองเท้กระเป๋าใบใหม่หรือเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ได้เห็นผ่านทางตาใจก็จะคิดถึงแต่กระเป๋าใบนั้นรองเท้าคู่นั้นเสื้อผ้าชุดนั้นจนไม่มีกรจิกกระใจที่จะทำอะไร ก็จะคิดแต่จะหาวิธีที่จะไปเอากระเป๋าใบนั้นเสื้อผ้าชุดนั้นรองเท้าคู่นั้นให้ได้มาพอได้มาแล้วความกระวนกระวายกระสับกระส่ายก็นั่งงับไปความดีอกดีใจก็เกิดตามมาแต่เป็น ความดีใจเพียงชั่วคราวหลังจากนั้นไม่นานก็จะเกิดความอยากได้สิ่งอย่างอื่นสิ่งใหม่ต่อไปแล้วก็จะกลับเข้าวงจรอุบาทเหมือนเดิมก็คือจะเกิดความกวลกวายใจกระสับกระสายหงุดหงิดนำคานใจเช่นถ้าอยากจะเดิม สุราก็าต้องหาสุรามาดื่มให้ได้ถ้ายังไม่ได้ดื่มก็ยังมีความรู้สึกหงุดหงิดลำพานใจหรืออยากได้สิ่งอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันอยากจะไปเที่ยวอยากจะอยู่กับแฟน อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยาอาการหงุดหงิดนำคาญใจอาการกระสับกระส่ายกวนกวายก็จะเกิดขึ้นแล้วพอไปทําตามความอยากก็จะระงับความหงุดหงิดนำคาญใจกวนกวายไปชั่วคราวจนกว่าจะ เกิดความอยากขึ้นมาใหม่เพราะการกระทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการที่จะดับความอยากให้หมดไปพวกเราหรือมนุษย์หรือสัต์โลกทั้งหลายจึงติดกับอยู่กับการแสวงหาสิ่งตามความอยากของตนพอได้มาแล้ว ก็แสวงหาสิ่งอย่างใหม่ต่อไปแล้วก็นอกจากจะต้องถาอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเวลาที่ได้สิ่งที่ตอนอยากได้มาก็เกิดความหึงหวงเกิดความหงอยกิดยความผูกพัน เกิดความอยากให้อยู่กับตนไปเรื่อยๆอยากจะให้ดีอยู่ไปเรื่อยๆไม่อยากให้เสื่อมหรือเสียหรือหมดไปแต่โดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้เป็นไปตามปรารถนาไปตามความอยาก สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งชั่วคราวทั้งนั้นคือจะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวลาที่จะอยู่และดับไปนี้ก็ต่างกันบางอย่างก็มาไวไปไวบางบางอย่างก็มาอยู่ไปช้าหน่อย แต่ไม่ว่าจะไปช้าหรือไปเร็วจะเสื่อมช้าหรือจะเสื่อมเร็วก็ต้องเกิดขึ้นแล้วเวลาที่เกิดความเสื่อมเกิดการสูญเสียก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นใหม่เกิดความไม่เศร้าโศกเสียใจเกิดความอาลัยอาวรณ์นอกจากนั้นแล้วก็ยัง มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ใจะจะต้องสัมผัสรับรู้ก็มีความอยากกับเหตุการณ์ต่างๆอีกถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ชอบก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นไปได้เรื่อยๆ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตามเขาก็มีการเจริญมีการเสื่อมไปเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากกับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้เนื่องจากไม่รู้ความจริงว่า เป็นการสร้างความทุกข์กลับไปคิดว่าเป็นการดับความทุกข์เป็นการสร้างความสุขพวกเราหัือสามโลกอย่างพวกเราจึงมีแต่ความทุกข์กันอยู่มาตลอดเวลานับเวลานี้นับไม่ได้ว่ายาวนานขนาดไหน เพียงแต่เปรียบเทียบได้ว่าน้ำตาที่เราหลั่งให้กับความทุกข์ต่างๆถ้าเราสะสมไว้มันจะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกนั่นแหละคือปริมาณของความทุกข์ของใจของพวกเราเพราะว่าเรา ขาดความรู้หรือขาดผู้ที่มีความรู้ที่จะมาสอนเราให้รู้ความจริงว่าต้นเหตุของความทุกข์ของพวกเรานั้นก็คือความอยากของเรานั่นเองถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้พบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้รับรู้ว่า พระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลแรกที่สามารถค้นพบความจริงของความทุกข์ของพวกเราว่าเกิดจากความอยากสามประการด้วยกันก็คือความอยากในกามคือในรูปเสียงกลิ่นรสผททพะความอยากมีอยากเป็นอยากให้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ หรืออยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือความอยากไม่ให้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจเช่น อยากไม่ให้ร่างกายนี้แก่ไม่ให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ร่างกายนี้ตายไปก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ใจก็ต้องกำจัดความอยากทั้งสามนี้ ต้องกาจัดการมตัณหาความอยากในกามในรูปเสียงกลินก่นรสโผฏฐัพพะต้องกำจัดความอยากมีอยากเป็นคือภาวะตัณหาต้องกาจัดวิภวะตัณหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้หมดไปจากใจให้ได้ถ้ากาจัดได้แล้วไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้ว ใจก็จะไม่มีความทุกข์หลวงเหลืออยู่ภายในใจจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นปรมังสุขขังเป็นบรมมสุขเพราะเป็นความสุขที่สามารถลบล้างความทุกข์ของเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ของร่างกายนี้ได้ จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆจะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายการที่จะดับหรือละปัญหาทั้งสามนี้ได้ก็จําเป็นจะต้องมีปัญญาและสมาธิการที่จะมีปัญญาและสมาธิได้ก็จําเป็นจะต้องมีสติ การที่จะเจริญสติได้ก็จาเป็นจะต้องมีเวลามีเวลาที่จะมาเจริญสติอย่างต่อเนื่องและมีสถานที่ที่เอื้อต่อการเจริญสติก็คือต้องอยู่ตามที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆห่างไกลจากรูปเสียงกิน่นรพผลตภะ ห่างไกลจากตาหูจมูกห่า ง, งไกลจากสิ่งที่มาคอยยั่วยวนกวนใจต่างๆถ้ายังต้องทำงานทำการเพราะอยากจะมีเงินมีทองมากๆอยากจะใช้เงินใช้ทองในการซื้อความสุขต่างๆก็จะไม่มีเวลาที่จะ ไปหาที่สงบสงัดวิเวกเพื่อบำเพ็ญเพื่อเจริญสติให้เกิดขึ้นถ้าหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นายด้วยการหาเงินหาทองหาครอบครัวก็จะมีภาระผูกพันพอมีครอบครัวมีบุตรมีทิดาก็จะต้องทำหน้าที่ ดูแลเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เจริญติบโ ต, ตให้สามารถพึ่งตนเองได้เวลาที่จะมาบำเพ็ญก็จะไม่มีหรือถ้าจะมีก็ต้องรอให้บุตรธิดานี้เจริญติบโ ต, ตขึ้นไปก่อนดังนั้นถ้าหลงไปกับการหาความสุข ทางตางหูจมูกริ้นกายก็จำเป็นจะต้องเสียเวลาไปกับการทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อจะได้นำมาซื้อความสุขต่างๆก็จะนำพาไปสู่ความสัมพันธ์ความผูกพันกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะ วิเวกได้ดังนั้นผู้ที่อยากที่จะปฏิบัติเพื่อให้ความทุกข์ทั้งหลายภายในใจนี้หมดไปจึงจำเป็นจะต้องสละความสุขทางตาหูจมูกลินกายสละเวลาที่ให้กับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะ ไปซื้อความสุขต่างๆแล้วก็จะได้เอาเวลานี้มาบำเพ็ญมาเจริญสติเช่นการออกบวชนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งผู้ที่ออกบวชแล้วก็ได้สละเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรื่องการหาเงินหาทอง เพื่อจะได้มาซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆแล้วหันมาบำเพ็ญมาปรีวิเวกมาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายมาควบคุมจิตใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไปในทางความอยากโดยใช้อุบายของสติ ของการเจริญสติที่มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันที่ได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกก็มีอยู่40สิชนิดที่เรียกว่ากรรมฐาน40สกรรมฐาน40สนี้ก็เป็นวิธีเจริญสติในรูปแบบต่างๆกันอนุสตินี้ก็มีอยู่10บประการด้วยกันเช่นพุทธานุสติ ก็คือการให้เจริญถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณอภรพุทธคุณเช่นการสวดบทอิติปิโสหรือการบาริกรรมพุทโธพุทโธไปเจ้าธรรมานุสติก็ให้เจริญบทพระธรรมคุณสว่าขาโตปากวัตาธรรมโมไปหรือบริกรรมธรรมโมไป ถ้าสังคานุสติก็จเจริญบทสังคคุณสุปฏิปันโนหรือบริกรรมสังโฆไปถ้าเป็นอนาปนาสติถ้าดูการหายใจเข้าออกของลมที่เข้ามาในจมูกเข้าออกทางจมูกใจก็จดจ่อเฝ้าดู ลมเข้าลมออกหรือถ้าจะใช้กายกตาสติคือใช้ร่างกายเป็นที่เจริญสติก็ต้องคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นไปจนหลับให้ใจเฝ้าอยู่ดูอยู่กับ การกระทำกับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าไปที่อื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดก็ให้ยืนเฉยเฉยหรือให้นั่งเฉยเฉยไม่ให้ทำอะไรแล้วก็ตั้งสติอยู่กับความคิดที่ต้องการจะคิด คิดด้วยเหตุด้วยผลคิดตามความจำเป็นเมื่อคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาเฝ้าดูร่างกายต่อไปไม่ว่าร่างกายจะไปทำอะไรที่ใจได้คิดได้สั่งเอาไว้ก็ติดตามเฝ้าดูอยู่กับการกระทาของร่างกายไปตลอดเวลาอย่างนี้ก็จะมีสติ เธอจะทำให้ใจไม่ลอยไปรอยมาตามความคิดต่างๆใจก็จะไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันพอใจตั้งอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็ใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นที่ผูกใจเอาไว้หรือจะใช้การบริกรรมพุทธโธ ก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความพอใจทำไปแล้วถ้าไม่ไปชิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้จะรวมเป็นหนึ่งจะเป็นเอกเรียกว่าเอกัคกตารมสัตวรูเป็นอุเบกขาเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่เกิดจากการ การหยุดทํางานของสังขารความคิดปงแต่งเป็นการหยุดความทุกข์ไปในตัวเพราะความทุกข์ก็เกิดจากความคิดปุงแต่งของสังขารนี้เองที่คิดไปในทางความอยากต่างๆพอสังขารไม่ได้คิดความอยากก็ไม่ปรากฏพอความอยากไม่ปรากฏความทุกข์ก็ไม่มีพอไม่มีความทุกข์ก็มีความสุขมีความสงบนั่นเอง อันนี้คือการเจริญสติเพื่อให้ใจได้เข้าสู่ความสงบให้เป็นสมาธิที่มีอุบายคือสติชนิดต่างๆให้ใช้ในการดึงใจให้เข้าข้างในถ้าจะใช้สติชนิดอื่นก็ได้เช่นมรณานุสติก็ได้ก็ให้หลำเลึกถึงความตายของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีของผู้อื่นก็ดีบางทีเวลาเราไปวุ่นวายไปฟุ้งซ่านกับเรื่องนี้นเรื่องนี้พอเราเลิกถึงความตายความวุ่นวายความฟุ้งซ่านก็จะหายไปความกังวลก็จะหายไปเพราะไม่รู้ว่าจะกังวลไปทำไมในเมื่อบุคคลนั้นในไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องตายไปอยู่ดี หรือไม่ฉะนั้นเราร่างกายของเราก็ต้องตายไปอยู่ดีไปกังวลมันก็ไม่ได้เป็นมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่แท้จริงก็คือความตายนี่พยายามแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆลืมมองปัญหาเรื่องใหญ่ไปคือความตายไปลืมว่าปัญหาใหญ่นี้แก้ไม่ได้ เราไปวุ่นว้กับการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆทําไมแก้ได้ไม่ได้มันก็ตายเหมือนกันถ้าแก้ได้ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปก็เท่านั้นเองเพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายไปอันนี้ก็เป็นวิธีกําจัดนิวรณ์หรือ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการบรําเพ็ญทำให้จิตใจไม่สงบนะถ้ามีความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็จำเป็นที่จะต้องใช้เมตตาภาวนาเมตตานี้ก็เป็นอุบายของสติอีกอย่างหนึง่งใช้เมตตานี้จเจริญเป็นเป็นเป็น เป็นเหตุที่จะทำให้จิตสงบได้ให้เราแผ่เมตตาต่อบุคคลที่เรามีปัญหาด้วยต่อบุคคลที่เรากำลังโกรธกำลังเกลียดด้วยการให้อภัยด้วยการไม่จองเวรอเวลาโหตุก็คือเลิกรากันไปเขาจะพูดอะไรเขาจะทำอะไรก็ถือว่ามันผ่านไปแล้ว อย่าไปเอาอดีตที่ผ่านไปแล้วนน้นกลับก็ามาใส่ใจเราไม่ได้ประโยชน์อะไรได้แต่ความร้อนได้แต่ความโกรธความเกลียดความไม่สงบถ้าให้อภัยได้ไม่จองเวรจองกรรมได้ใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ก็เป็นวิธีกำจัดวิวรอีกชนิดหนึง่ง หรือถ้าเกิดการมารมขึ้นมาเห็นรูปร่างหน้าตาของคนนั้นคนนี้แล้วเกิดมีการมารมอยากจะเสกการร่วมกับเขาก็ต้องพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของเขาร่างกายนี้มีทั้งส่วนที่น่าดูน่าชมและมีส่วนที่ไม่น่าดูน่าชม ถ้าไปดูส่วนที่น่าดูน่าชมก็จะเกิดการมาลมขึ้นมาถ้าไปดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามไม่ดูน่าดูน่าชมก็จะดับการมลลมได้อันนี้ก็เป็นการเจริญสติอีกวิธีหนึ่งที่อยู่ในกรอบของกายกตาสติคือร่างกายพิจารณาความความไม่สวยงามของร่างกาย ที่เรียกว่าอสุภกรรมฐานนี่คือเครื่องมา้าเครื่องมือที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในการดอมเพนเพื่อจะทำให้จิตใจเข้าสู่ความสงบให้ได้ถ้าเกิดการมาฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารของกลิ่นอาหารของรสชาติของอาหารบางท่านนี่ พออดข้าวเย็นปั๊บนี่จะเกิดความคิดปรุงแต่งถึงอาหารขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะต้องใช้การพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารคือดูส่วนดูสภาพของอาหารที่มันไม่สวยงามไม่น่ากินอย่าไปนึกถึงสภาพของอาหารที่น่ารับประทานน่ากิน เช่นถ้าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานที่ออกมาตั้งออกมาจากครัวใหม่ๆควันยังร้อนควันยังโชยขึ้นมาอันนี้พอเห็นแล้วนึกถึงภาพนั้นแล้วก็น้ำลายไหลน้ำลายหกก็ต้องเปลี่ยนภาพอย่าไปนึกถึงภาพที่อยู่ในจานให้นึกถึงภาพอาหารที่กำลังเคี้ยวอยู่ในปากที่ผสมกับน้ำลาย ถ้าอยากจะเห็นว่ามันเป็นอย่างไรก็ลองคลายมันออกมาคลายมันออกมาดูเวลาที่รับประทานอาหารกำลังอเนจอร่อยกับอาหารที่กำลังเคี้ยวอยู่ในปากนี้ก็คลายมันออกมาใส่จานใส่ช้อนแล้วมองมันแล้วก็ลองเอากลับเข้าไปในปากหน่อยดูซิว่ามันจะกิดเข้าไปลงหรือไม่หรือนึกถึงอ า, อาเจียนที่ออกมาจากท้องก็ได้ แล้นึกถึงอุจจาระที่ออกมาจากทวาวรหนักก็ได้มันก็เป็นอาหารในรูปแบบต่างๆกันแต่มันจะทำให้เรานี้ดับความหิวโหยดับความคิดปรุงแต่งถึงอาหารได้อย่างอย่างอย่างได้ได้อย่างเต็มที่ก็ดจะไม่อยากจะกินอาหารอีกต่อไปถ้านึกถึง ส่วนของอาหารที่ไม่น่ารับประทานอันนี้จำเป็นสำหรับผู้ที่จาจะต้องบำเพ็ญถือศีลแปดขึ้นไปนี้จะต้องมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเสมอเคยรับประทานอาหารมื้อเย็นพอถึงเวลาเย็นแล้วไม่ได้รับประทานเนี้จิตมันจะปรุงแต่งถึงอาหารชนิดต่างๆก็ต้องใช้การพิจารณา ปฏิกูลของอาหารสภาพที่เป็นปฏิกูลของอาหารพอเกิดความหิวอยากจะรับประทานอาหารที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะรับประทานหรือถึงเวลารับประทานแล้วแต่จะรับประทานด้วยความอยากไม่ได้รับประทานด้วยความจำเป็นด้วยความด้วยความเหมือนกับด้วยเหตุด้วยผลคือ รับประทานเหมือนกับรับประทานยาก็จำเป็นจะต้องพิจารณาเหมือนกันทุกครั้งเวลาที่ก่อนจะรับประทานอาหารพระพุทธเจ้าจะสอนให้พระทิกสุพิจารณาดูว่าขณะกำลังจะรับประทานอาหารในี้ใจกำลังเกิดความอยากขึ้นมาหรือไม่ถ้าเกิดความอยากก็จำเป็นจะต้องพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหาร เพื่อจะได้ ร, รับความอยากนั้นแล้วเพื่อจะได้รับประทานแบบไม่มีความอยากรับประทานไปแบบทำตามหน้าที่ถึงนถึงเวลาที่จะต้องเติมอาหารให้กับร่างกายก็เติมไปถ้าพิจารณาแล้วก็จะสามารถรับประทานอาหารชนิดไหนก็ได้จะไม่มีความเจ้าที่จุกจิกว่าจะต้องรับประทานอาหารชนิดนั้นหรือชนิดนี้ ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็จะไม่อร่อยจะไม่อยากรับประทานเปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มีอันนี้เป็นการแก้นิวรหรืออุปสรรคที่จะมาทำให้ใจมัวนั่งคิดแต่เรื่องอาหารเรื่องขนมนมโนยเรื่องเครื่องดื่มต่างๆจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนใจ เวลาที่บำเพ็ญเวลาที่เจริญสติเช่นบริกรรมพุทธโธหรือนั่งดูลมหายใจเข้าออกใจก็จะได้เกาะติดอยู่กับอารมณ์เดียวได้ไม่ต้องไปไม่ไปคิดเรื่องต่างๆอันนี้ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้สงสอนให้นำเอามาใช้ในการบำเพ็ญ ปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจเพื่อทำใจให้เข้าสู่ความสงบจำเป็นจะต้องมีกรรมฐานชนิดต่างๆก็คืออุบายของการเจริญสติชนิดต่างๆมาใช้ในการกำจัดอุปสรรคต่างๆที่จะคอยกีดขตวางการบาเพ็ญ ถ้าเรารู้จักวิธีกำจัดอุปสรรคต่างๆแล้วใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่รู้จักวิธีกำจัดมันก็จะติดอยู่กับอุปสรรคต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นบางครั้งเราก็ต้องใช้กรรมฐานชนิดต่างๆ ไม่ใช่ใช้กรรมฐานชนิดเดียวเสมอไปนอกจากว่าสติของเรานี้มีกำลังมากรือเช่นเราสามารถบริกรรมพุทโธจนไม่คิดถึงเรื่องอะไรได้เลยได้หมดเลยไม่คิดถึงเรื่องอาหารไม่คิดถึงเรื่องการอารมณ์ไม่คิดถึงเรื่องคนนั่นคนนี้ก็จะไม่มีนิวรนต่างๆมาคอยขัดขวาง ถ้าทำอย่างนี้ก็ต้องหมั่นบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใจววะไปคิดถึงเรื่องของอาหารไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้ที่จะทำให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ดีหรือเกิดความโกรธเกิดความเปลี่ยนขึ้นมาก็ดีอันนี้ก็จะสามารถทำให้เข้าสู่ความสงบได้ ถ้ามีสติที่ต่อเนื่องถ้ายังไม่มีสติเป็นสติแบบล้มลุกคลุกคานพอเผลอปั๊บก็ไปคิดถึงขนมนมเนยไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ไปคิดถึงอาอาหงอาหารก็อาจจะทำให้ไปสร้างนิวร์ขึ้นมาได้ดนั้นการหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆนี้จะทำให้ปัญหานั้นมีน้อย ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องจิตก็จะไม่ไปสายแสไปหาเรื่องราวต่างๆมาเป็นอุปสรรคต่อการทำจิตให้สงบจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบได้ก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จิตเคยได้สัมผัสมาจากทางร่างกายเช่นความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหาร ควาสุขที่ได้รับจากการร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้มันก็จะสู้กับความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้พอได้พบกับความสงบนี้แล้วก็จะเริ่มเบื่อกับความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะมีะกําลังจิตกําลังใจมีฉันทะวิริยะ ที่จะหมั่นจเรนจริญจิตหมั่นนั่งสมาธิให้มากขึ้นเพื่อให้จิตดำรงอยู่ในความสงบให้นานขึ้นให้ยาวขึ้นจนสามารถเข้าสู่ความสงบได้ทุกเวลาตามที่ต้องการแต่ความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธินี้จะดีจะวิเศษอย่างไรก็ตาม ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นเหมือนกับการเอาน้ําเข้าไปแช่ในตู้เย็นเวลาอยู่ในตู้เย็นน้ําก็เย็นดีเวลาเอาออกจากตู้เย็นทิ้งไว้ไม่นานน้าความเย็นของน้ําก็จะจางหายไปความสงบของจิตก็เช่นเดียวกันเวลาอยู่ในสมาธิก็สงบเย็นสบายหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีความทุกข์มา ลบกวนใจเพราะไม่มีความอยากในขณะนั้นแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วความสงบสุขนั้นก็จะค่อยๆจางไปความอยากก็จะค่อยๆโผล่ออกมาก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเดิมก็จะเกิดความกังวลกวายกระสอบกระสายเกิดความหงุดหงิดนำคาญใจตามมาอีก วิธีที่จะทำให้ใจนี้มีความสุขมีความสงบได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็คือการเจริญปัญญานี้เองเราต้องใช้ปัญญามาวิเคราะห์ให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราสร้างความหมุดหยิดําคาญใจสร้างความกระสับกระส่าย สร้างความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจให้กับเราเป็นตัวที่มาทำลายความสงบที่เราได้จากสมาธิให้หมดไปถ้าเราอยากจะรักษาความสงบที่เราได้จากสมาธิมาเราก็ต้องกำจัดความอยากที่ปรากฏขึ้นมาให้ได้การที่จะกำจัดได้ก็ต้องเห็นอ น, นิจจงเห็นอนัตตาก็คือเห็นว่า สิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็ได้ความสุขเดียวเดียวแล้วหมดไปแล้วก็จะต้องเกิดความอยากขึ้นมาใหม่พอเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่แล้วสิ่งที่เราได้มาก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดอเขาจะไปเมื่อไหร่เราก็ห้ามเขาไม่ได้ เขาเป็นอนัตตานี่คือให้ปัญญาเห็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาในในเรื่องของสิ่งที่เราอยากได้และในเรื่องของความอยากว่าเป็นตัวสร้างความทุกข์ขึ้นมาพอเห็นอย่างนี้เห็นว่าพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วได้สิ่งที่อยากได้มาก็ ก็จะมีความทุกตามาอีกเพราะจะต้องสูญเสียสิ่งที่ได้มาต่อไปก็จะทำให้ไม่อยากได้พอไม่มีความอยากได้ความสงบของใจก็จะกลับขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีรักษาความสงบที่ถาวรเพราะว่าเมื่อปัญญาเห็นแล้วว่าความอยากชนิดนี้เป็นโทษต่อไปก็จะไม่อยากเช่นคนที่อยากจะ ดื่มโุราพอเห็นโทษของการดื่มโุราว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขต่อไปก็จะเลิกดื่มไม่ไม่ดื่มไม่มีความอยากจะดื่มโุราคนที่ชอบเที่ยวอยากเที่ยวพอเห็นโทษของการไปเที่ยวว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขต่อไปก็ไม่อยากจะเที่ยว อ, อันนี้ต้องเห็นโทษของความอยากเห็นโทษของสิ่งที่เราไปอยากได้ ว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรอยากจะได้แต่ความสงบเพียงอย่างเดียวซึ่งไม่ต้องอยากมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองเพราะว่ามันเป็นผลที่เกิดจากการละความอยากนี้เองพอละความอยากได้ก็เกิดนิโรธนิโรธก็คือความสงบการดับของความวุ่นวายใจทั้งหลายนั่นเองอันนี้จะ ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะทำให้ใจมีความสงบได้อย่างถาวรไม่มีวันกลับไปฟุ้งซ่านอีกต่อไปไม่มีวันที่จะกลับไปหงุดหงิดลาคาญใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีวันที่จะต้องกลับไปกังวลกังวยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะไม่มีความอยากได้อะไรอีกแล้วนั่นเอง อันนี้ต้องเกิดจากการบําเพ็ญเจริญปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วในข้นการบําเพ็ญเจปัญญานี้ก็บางเทยก็ยังต้องกลับไปในสมาธิเพราะว่าหลังจากออกมาบำเจริญปัญญาบางครั้งก็บอประสบความสําเร็จละความอยากได้บางครั้งก็ยังละไม่ได้เพราะปัญญายังไม่แหลมคมยังไม่ทัน ก็อาจจะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ก็จำเป็นจะต้องหยุดการพิจารณาไว้ชั่วคราวแล้วก็กลับเข้าไปพักในสมาธิก่อนเพราะหมดกำลังหมดกาลังของความสงบของอุเบกขาถูกอำนาจของตัณหามันผลักดันมากจนสู้บันไม่ไหวก็ต้องใช้การเข้าไปพักในสมาธิเพื่อสร้างกำลังให้กับปัญญาใหม่ แล้วค่อยออกมาพิจารณาใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเข้าออกในสมาธิสลับกับการพิจารณาทางปัญญาไปจนกว่าจะสามารถละความอยากที่เป็นปัญหานั้นให้ได้พอละได้แล้วก็จะหมดปัญหาไปก็ ต, ต้องไปแก้ปัญหาตัวใหม่ต่อไปถ้ายังมีหลงเหลืออยู่ถ้ายังมีความอยากหลงเหลืออยู่ก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีความ อ, อยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วก็ถือว่าได้ทำงานภารกิจนี้สำเร็จแล้วได้ปฏิบัติธรรมเพื่อดับความทุกข์ทั้งหมดให้หมดไปจากใจแล้วเมื่อได้ทำภารกิจนี้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องมิตรทำอะไรอีกต่อไปมีแต่จะรับรางวัลเพียงอย่างเดียวก็คือได้อยู่กับปรมังสุขขังไป ตลอดอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้คือรางวัลของผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆุกรูปทุกๆองค์ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดจะอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าหรือยังอยู่ในยุคปัจจุบันนี้รางวัลก็จะเป็นรางวัลชนิดเดียวกันก็คือปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขัง ที่เกิดขึ้นเพราะได้ละตันหาทั้งสามนี้ได้ชำระตันหาทั้งสามคือการละตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาให้หมดไปจากจิตจากใจอันนี้จะเกิดขึ้นจากการที่เราหมั่นมาเจริญสติมานั่งสมาธิและมาเจริญปัญญาสลับกันไประหว่างปัญญากับสมาธิ ไปจนกว่าจะทำภารกิจนี้ให้หมดสึ้นไปดังนั้นอยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะผลักดันตัวเราเองได้ผู้อื่นนี้เพียงแต่ผู้ให้กำลังใจแต่ถ้าเราไม่ผลักดันตัวเราเองเราก็จะไปไม่ได้ เราต้องบังคับตัวเราเองให้ปฏิบัติเช่นเราต้องตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติเป้าหมายของการทํางานของเราว่าเราจะทําวันละกี่ชั่วโมงเราจะทําตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือเราจะทําเฉพาะชั่วโมงนั้นชั่วโมงนี้ถ้าเราทําตั้งแต่ตื่นจนหลับก็ถือว่าเราทําเต็มร้อยถ้าเราทําเต็มร้อยผลก็จะปรากฏขึ้นเต็มร้อย ถ้าเราทำเพียงเป็นช่วงๆผลก็จะเกิดเป็นช่วงๆไปก็จะไม่เต็มร้อยดังนั้นถ้าอยากจะได้ผลที่เต็มร้อยเราก็ต้องปฏิบัติเต็มร้อยก็ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าจะทำภารกิจอะไรก็ตามเราก็ต้องเจริญสติอยู่ทุกเวลานาทีตั้งแต่เลืมตาขึ้นมาแล้วก็ลุกจากที่นั่งที่นอน ไปทำภารกิจอะไรต่างๆก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจไปตลอดเวลาไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นแล้วรับรองได้ว่าการปฏิบัติผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นตามลําดับแล้วก็จะทําให้เราเกิดมีกําลังใจที่อาจจะปฏิบัติให้มีมากเพิ่มมากขึ้นไปจนปฏิบัติได้เต็มร้อย แล้วผลก็จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะได้รับผลจากการปฏิบัติคือได้บรรลุบรรผลนิพพานอย่างแน่นอนโอกาสนี้มีโอกาสเดียวเท่านั้นในภพนี้ชาตินี้ในภพที่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นําทางให้กับพวกเราถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วโอกาสนี้ไม่มี เหมือนกับเวลาที่เข้ารถสินค้าตามห้างสินค้านานๆจะมีโอกาสสักครั้งเช่นเขาจะปิดร้านอย่างนี้นานๆจะปิดร้านกันสักครั้งเขาก็อยากจะโลกะของทิ้งเขาก็จะขายแบบราคาถูกๆราคาต่ำๆนานๆจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นสักครั้งหนึง่งเช่นเดียวกับชีวิตของเรานานๆานที่จะได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึง่ง เพราะนานๆจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏให้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกสักครั้งหนึ่งถ้าเราได้พบกับโอกาสนี้แล้วเรากลับไม่สนใจไม่ฉวยโอกาสนี้ก็น่าเสียดายเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้พบกับโอกาสนี้อีกเมื่อไหร่ถ้าไม่มีโอกาสอย่างนี้ก็ การที่จะปฏิบัติให้บรรลุได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้จะไม่มีโอกาสที่จะได้ผลเลยนอกจากเป็นคนที่มีบารมีสูงอย่างพระโพ ธ, ธิสัตว์เท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติจนบรรลุถึงผลได้แต่ก็ต้องใช้เวลาอันยาวนานไม่ใช่เจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีอาจจะเป็นเจ็ดกับหรือเจ็ดอยกับ ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าปล่อยโอกาสอันดีงามที่พวกเราได้มาสัมผัสรับรู้นี้ให้หลุดไปจากมือโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรขอให้เราทุ่มเทเวลาเวลาชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์นิ้เถิดอย่าไปสนใจกับการหาเงานินหาทองหาลาภหายยศหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นใจเลย เพราะเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเวลาที่เสื่อมไปเวลาลาบชดสรรเสริญเสื่อมไปเวลาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมไปเวลาร่างกายนี้แก่เจ็บตายไปเวลานั้นจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจยนจึงขอให้พวกเราพยา ย, ยามพิจารณา เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยเรื่อเรื่องของความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้มากำจัดความหลงที่มันจะคอยหลอกให้เราหลงไปติดอยู่กับความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เพื่อเราจะได้ถอนตัวเราออกจากการแสวงหาความสุขต่างๆในโลกนี้แล้วพุ่งไปสู่การหาความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย ได้แสวงหากันและได้พบกันพอเราออกมาจากการหาความสุขทางโลกแล้วเราก็จะเข้าสู่การหาความสุขทางธรรมได้และเราก็จะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่จะปรากฏขึ้นมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาฟุราปริฟุเรติสาคารังเอวเมวะอิโตทินัเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสัมมิชาตุสัพเหเรนตุสังกปาันโทปนาราโยถามานิโชติ ภาระโสยถาสภิติโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภาวตวันตารโยสุขีขีขายุโกภาวะอภิวัตนาสีฤทธนิจังุทธาปจายโนจตารโหธรรมวานติอายุวันโนสุขัง พลาง อ, อยากจะถามคำถามครับเชิญครับต่อครับต่อไปเป็นคำถามนะครับจากท่านที่ฝากถามนะครับการพิจารณากายในกายตามหลักสติปัฏฐานสี่ทำอย่างไรกายในกายคืออะไรทำไมถึงใช้ภาษาว่ากายในกาย เวทนาในเวทนาจิตในจิตทาในธรรมอันนี้มันไม่เป็นประเด็นสำคัญนะเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องของภาษาของคนโบราณเขาพูดกันแล้วพอเราแปลเป็นตามตวัวอักษรมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับความหมายที่เราใช้กันในปัจจุบันการพิจารณากายในกายก็ให้พิจารณาร่างกายของเรานี่เอง ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการพิจารณาเวทนาก็เช่นเดียวกันพิจารณาว่าเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พ, พิจารณาจิตก็คือให้พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันพิจารณาธรรมที่ปรากฏขึ้นมาในใจ ก็เช่นเดียวกันว่าก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเช่นทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกไม่ได้เกิดตลอดเวลาสมุทัยไม่ได้เกิดตลอดเวลานิโรธไม่ได้เกิดตลอดเวลามรรคไม่ได้เกิดตลอดเวลามีเกิดขึ้นผัดกันเกิดผัดกันดับไปอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาแล้วเพื่อปล่อยวางอย่าไปทุกข์กับ การเกิดการดับของเขาให้ใจรู้ทันแล้วก็เฉยให้เป็นอุเบกขาร่างกายแก่เจ็บตายก็รู้ว่ามันแก่เจ็บตายอย่าไปอยากถ้าอยากแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกเวทนาเวลาเกิดขึ้นก็อย่าไปอยากให้มันหายสุขเวทนาเกิดขึ้นก็อย่าไปอยากให้มันอยู่ไปนานๆจิตก็คืออารมณ์ต่างๆ เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปอยากให้มันหายเวลาเกิดอารมณ์ดีก็อย่าไปอยากให้มันดีไปตลอดเพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางมันให้ได้รู้เฉยๆอ่ามันจะอารมณ์ดีก็รู้ว่าวันนี้อารมณ์ดีอแต่ก็รู้ว่ามันไม่ดีไปตลอดเดี๋ยวใครมาแย่หน่อยเดี๋ยวมันก็อารมณ์ขุนมัวก็มาได้ อารมณ์ขุนมือก็อย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันหายมันขุนมันมันมวเดี๋ยวมันก็แจ่มใสขึ้นมาได้เองสังเกตดูชีวิตเราก็เปลี่ยนไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆบางวันดีบางวันไม่ดีสามวันดีสี่วันไข่อนนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์ยานอย่าไปติดกับตัวตัวอักษรที่เขาบางทีอาจจะท่องมาแบบนกแก้วท่องมาตาม าภาษาของเขาที่เราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงใช้คำแบบนี้แต่ในทางปฏิบัติแล้วก็คืออย่างที่ได้พูดเนื้อหาสาระก็คือพิจารณากายในการก็ให้พิจารณาร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นอยู่ที่ว่าเราไปติดอยู่กับที่ไหนถ้าเราติดกับร่างกายของคนอื่นเราก็ต้องพิจารณาร่างกายของคนอื่นเช่นถ้าเรา ตอยู่กับร่างกายของพ่อของแม่เราก็ต้องพิจารณาว่าเขาก็เป็นดินน้มลมใสเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้เป็นตัวของเขาเวลาร่างกายตายไปตัวเจ้าของร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือตัวพ่อตัวแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่มาเศร้าโศกเสียใจถ้าเรารู้ว่าตัวพ่อตัวแม่ยังอยู่เราก็ไม่เสียอกเสียใจ อันนี้พิจารณาเพื่อให้ใจเราไม่ต้องไปชุกกับร่างกายของคนอื่นหรือถ้าเราเกิดมีความรักความหวงความอยากมีการเสพการมารมกับคนนั้นคนนี้ถ้าเราไม่อยากจะเสพเราก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายอันนี้คือสาระที่แท้จริงว่าการพิจารณากายพิจารณาอย่างไรใกล้พิจารณาอย่างนี้โดยสรุปก็คือให้พิจารณากายเวทนาจิตทำว่าเป็นใจรัก เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็อย่าไปวุ่นวายไปกับเขาเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศนี่เองเขาจะร้อนเขาจะหนาวเราไปห้ามเขาไม่ได้เอเราไปวุ่นวายก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเราไปวุ่นวายกับร่างกายของคนนั่นคนนี้หรือของเรามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงความจริงของมันเราพุไปวุ่นวายกับเวทนามันก็แบบเดียวกัน วุ่นวายกับอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจมันก็เหมือนกันวุ่นวายกับธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจก็เหมือนกันอยาไปวุ่นวายให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางให้รู้ว่าเขามาเขาไปเขาเกิดเขาดับเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เพื่อใจของเราจะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้เพื่อใจจะได้เป็นปารมังสุขขังนี้เอง คำถามข้อต่อไปจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติหรือวิชาโตนะครับจากคุณนับนัรงฤดีนะครับทำอย่างไรให้จิตใจสงบเวลาเห็นครับเห็นข่าวสารบ้านเมืองวุ่นวายใช้ธรรมะข้อใดเข้าช่วยก็อย่างที่คำตอบเนี่ยนิจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรก็ปล่อยวางว่าเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ ถ้าเปลี่ยนได้ก็ไปเปลี่ยนถ้าสั่งได้ก็ไปสั่งถ้าสั่งไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ก็ช่างหัวมันตัวใครตัวมัน <c oughs> คําำถามข้อต่อไปจากคุณกัญญานะครับเราจะวัดหรือทราบได้อย่างไรว่าการทำสมาธิแบบไหนถูกจริตของเราและถ้ามีความก้าวหน้าตรวจสอบได้จากอะไรและอย่างไร ก็พ้นไงพ้นก็คือความสงบถ้าทำแล้วสงบก็สมาธิแบบวิธีนั้นก็เป็นวิธีวิธีที่ถูกกับเราถ้านั่งแล้วไม่สงบนีมันก็ไม่อาจจะอยู่ที่วิธีหรือไม่อาจจะอยู่ที่วิธีก็ได้เพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่จะทำให้เราสงบหรือไม่สงบแต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือสติว่าเราสามารถควบคุมใจของเราไม่ให้ลอยไปลอยมาได้หรือเปล่า ให้ใจเราตั้งอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้หรือเปล่าเช่นให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้หรือเปล่าให้อยู่กับพุทโธได้หรือเปล่าอยู่แค่ตรงนี้เองถ้าอยู่ไม่ได้ต่อให้จะใช้วิธีไหนมันก็เหมือนกันมันก็จะไม่สงบเหมือนกันต้องให้ใจอยู่กับอารมณ์เดียวให้ได้คำถามข้อต่อไปจากคุณมิกแม็กนะครับ พระที่ชอบปลามาดพระรัตนาตายเราเป็นคารวะใจเราไม่อยากกราบไหว้และไม่ไปทําบุญด้วยเราจะบาปหรือเปล่าไม่บาปเราเราไม่ทําบุญก็ไม่ได้บุญแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้ไปดา่าเราไม่ไปพูดจาหยาบคายหรือไปพูดปดมดเท็จไปไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปไประพฤติผิดประเวณีไปดื่มสุราเราก็ไม่บาปบาปมันมีอยู่แค่ห้าข้อนี้ แสดงว่าถึงท่านจะพูดไม่ดีปาาศพระรันาตน์ไตก็ปล่อยท่านไปใช่ไหมครับไม่ต้องไปว่าท่านจะไปทำอะไรท่านนะทำแล้วท่านจะหยุดหรือเปล่าเห็นไหเราก็ไปทำเสียหายเองเป่าๆคำถามข้อต่อไปจากคุณสมาธินะครับเวลาเสียชีวิตธาตุลมหรือไฟดับก่อน อลมหายใจมันก็ต้องหยุดก่อนสิอะไรวะแค่นี้พอลมหยุดแล้วร่างกายก็เย็นใช่ไอมถ้าลมยังไม่หยุดนี่ร่างกายมันก็ยังไม่เย็นร่างกายมันยังทํางานได้อยู่พอทางานมันก็ผลิตธาตุไฟออกมาเวลาตายปั๊บลมหยุดก่อนนลมไปก่อนแล้วก็ไฟไปที่สองแล้วน้ําก็ไปที่สามเหลือแต่ดินอแยกกันออกไปทีละทีละชุดทีละชุด ชุดลมไปก่อนลมไม่เข้าแล้วมีแต่ลมเราเหยออกเป็นกลิ่นออกมาให้เราได้ได้ดมกันนี่ก็เป็นลมนะแล้วน้ําเหลืองน้ําเลือดอะไรน้ําที่มันไหลออกมาทางจมูกเห็นไหมที่คนตายเขาจะต้องเอาสำลีไปอุ่นเนี่ยพราะน้ำมันออกแล้วมันไม่มีมันก็ออกมาแล้วต่อไปพอน้ําออกมาหมดแล้วร่างกายก็แห้งกรอบตอนต้นก็เน่าก่อน พองก่อนแล้วต่อไปมันก็มันก็แฟบลงไปแห้งแห้งแล้วก็แห้งกรอบถ้าทิ้งไปนานๆมันก็ผุกลายเป็นดินไปคำถามข้อต่อไปจากคุณชาลิดานะครับกรณีที่คนโดยเฉพาะชาวต่างชาติมีความเห็นว่าคนเราเกิดมาหนเดียวตายหนเดียว รบกวนพระอาจารย์แนะนำเรื่องนี้ด้วยคือความเห็นของมนุษย์นี่มันมีหลากหลายแต่เป็นความเห็นที่ถูกต้องนี้มีอันเดียวก็คือตายแล้วไม่ตายแล้วไม่ศูนย์เพราะที่ตายนั้นไม่ใช่เป็นร่างไม่ใช่เป็นส่วนที่ศูนย์ส่วนที่ไม่ศูนย์มีอยู่ก็คือใจอันนี้มีอยู่มีผู้รู้อยู่ในพระพุทธศาสนากับศาสนาบางศาสนาที่เขาเชื่อว่า เวลาร่างกายตายไปแล้วดวงวิญญาณไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่จะรู้ละเอียดลึกซึ่งเท่ากับพระพุทธเจ้านี้ไม่มีพระพุทธเจ้านี้รู้ละเอียดลึกซึ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนที่ไม่ตายและรู้จักวิธีที่จะทําให้ทําอย่างไรที่จะได้ไม่ต้องไปทําผิดซ้ำซากก็คือกลับมาเกิดใหม่แล้วกลับมาทุกข์ใหม่ จะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่รู้ความจริงอันนี้นอกนั้นก็เป็นพวกหมอดูหมอเดาเดากันไปค่ากันไปไปตามความเชื่อบางทีก็เดาถูกเชื่อว่าพวกสัตว์พวกคนที่มีความเห็นว่าตายแล้วไม่สูญนี่ยก็ถือว่าเป็นพวกที่เดาถูกแต่จะเห็นจริงๆีนชัดชัดนี่ไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียว ถ้าเห็นจ ร, จริงๆชัดๆแล้วก็จะเห็นต้นเหตุของการกลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็จะตัดไอ้ความอยากที่จะกลับมาเกิดใหม่นี้ให้มันหมดไปเพราะความเห็นที่ถูกต้องจึงมีอันเดียวคือซ้ำเป็นความเห็นของพระพุทธเจ้าของผู้ตรัสรู้เท่านั้นดังนั้นพวกเราจึงถือว่าโชคดีที่ได้มาเจอความเห็นที่ถูกต้อง ถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราก็จะเจอกับความเห็นที่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเชื่อบ้างไม่คือบางบางทีก็เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นพอดีไปเชื่อตรงกับความจริงก็โชคดีไปถ้าไปเชื่อกับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงก็หลงไปถูกหลอกไปดังนั้นความเชื่อมีหลากหลาย เขาจ้าจ่าึงส่งสอนว่าเวลาใครเขาพูดเรื่องอะไรให้เราฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาว่าต า, นายแล้วส่วนก็ปล่อยเขาว่าไปเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อแต่เราก็อย่าเพิ่งไปปฏิเสธถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์เห็นกับตาเราเองว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ก็ฟังหูไว้หูก่อนเหมือนกับศาลตัดสินคดีศาลก็ไม่ฟังข้างเดียว ศาลก็ต้องฟังทั้งสองข้างต้องหาหลักฐานหาอะไรต่างๆมายืนยันว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเท่านั้นถึงจะตัดสินลงไปได้ว่าใครผิดใครถูกอันนี้ก็เหมือนกันใครมาบอกว่าตายแล้วศูนย์รู้ตายแล้วเกิดเราเองก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเราจะไปเชื่อฝ่ายไหนดีถ้าเราไปเชื่อฝ่ายที่ไม่ถูกเราก็เราก็ถูกหลอกไป ถ้าเราไปเชื่อฝ่ายถูกก็ถือว่าโชคดีไปแต่เราก็ยังไม่รู้เองดังั้นวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องพิสูจน์มันด้วยการปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้จะสามารถยืนยันให้เรารับรู้ได้ว่าเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วศูนย์หรือไม่สูนย์มีอะไรหลงเหลืออยู่หรือไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือจจเจริญทานศีลภาวนาแล้วคถามเหล่านี้ก็จะ ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปจะเห็นได้กับตาเพราะจะมีดวงตาเห็นธรรมมีตาในใจจะตื่นขึ้นตายใจตอนนี้ใจของพวกเรามันมันหลับอยู่มันปิดอยู่จึงมองไม่เห็นตัวมันเองไปเห็นที่ร่างกายไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวมันพอร่างกายตายไปก็ไปคิดว่าตัวมันตายไปกับร่างกายด้วย แพอเวลานั่งภาวนานี่มันจะเปิดตาดุจปลเปิดตาในขึ้นมาพอเปิดตาในก็จะเห็นว่าอ๋อใจมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่มันไม่ใช่ตัวร่างกายนีย่มันคนอะตัวกันไอตัวนี้มันไม่มีรูปไม่มีร่างแล้วมันจะตายได้อย่างไรมันไม่เคยตายคําถามข้อต่อไปจากคุณกมนชนกนะครับ ทำบุญแล้วได้บุญในชาตินี้เลยหรือไม่ครับก็บุญก็คือความสุขใจก็จะได้ทันทีเช่นเดียวกับบาปคือความทุกข์ใจก็จะได้ทันทีเวลาทําบุญใจเราก็มีความสุขอันนี้ก็บุญนี่ก็คือความนี่เราเรียกว่าบุญส่วนผลที่จะรับตามมานั้นก็ต้องรอให้ตายไปแล้วเช่นถ้าตายไปแล้วบุญดีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้ไปสวรรค์ ไปเป็นเทพไปเป็นพรมหพรมไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็จะเดินให้ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นตัวุรกายบ้างไปตกนรกบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ตายไปแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณจีรวันนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่อยากหาที่ปฏิบัติเพื่อที่จะได้ฝุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าของจิตจะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาโดยไม่กำหนดเวลาควรจะไปที่ไหนเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเราชอบคำสอนของครูบาอาจารย์สายไหนถ้าเราครบชอบคำสอนของครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ชาก็ต้องไปตามสานักของหลวงปู่ชาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ชา ไปแล้วก็ไปสอบถามดูแล้วก็จะมีคนที่รู้เขาแนะนำไปเองว่ามีที่ไหนบ้างถ้าเราชอบสายขอยงน้องตามหมาบวัวเราก็ไปที่วัดป่าบัานตาดแล้วเราก็ไปเริ่มต้นที่นั่นไปศึกษาถ้าเรามีศรัทธาสายของพระอาจารย์เปลี่ยนแล้วก็ไปที่วัดของท่านก็แล้วแต่เราว่าเราชอบคําสอนของครูบาอาจารย์สายไหน เราก็ต้องไปตามวัดของของท่านตามสายของท่านแล้วเราก็ต้องไปสะแสวงหาไปถามคนที่เขาอยู่เขาก็จะรู้ว่าที่ไหนเป็นอย่างไรมีที่อยู่ั้มอยู่ได้หรือไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ต้องต้องขวนขวายต้องศึกษา ถึงจะได้ข้อมูลถึงจะได้รู้ว่ามีที่ไหนบ้างที่เราจะไปอยู่ไปศึกษาไปปฏิบัติได้หมดนะครับหมดแล้ ว, ลวทีนี้มีใครอยากจะถามไหมที่อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆพระอาจารย์ครับกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยเจตนา ถ้ามีเจตนานะครับในกรณีที่เราเดินอยู่หรือเราขับรถเนี่ยฮะถ้าสมมติว่าเราเห็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราไม่มั่นใจว่ามันมีชีวิตหรือไม่แต่เรากลับไปเลือกคิดที่ว่าคงไม่ใช่แล้วเราก็ขับผ่านไปเลยในขณะที่สามารถหลบได้ถ้าเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาถือว่าเป็นกรรมไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราตั้งใจหรือไม่ถ้ามีเจตนามีความตั้งใจให้ ให้เขาเกิดความเสียหายมันก็เป็นมันก็เป็นกรรมถ้าไม่มีเจตนามันก็ไม่เป็นกรรม สร้างเสร็จแล้วเหรอเลวจะต่อไเียวคงจะเสร็จส่วนบางส่วนมั้งไม่งั้นไม่ทราบส่วนที่ที่ยังไม่ได้ทำนี่เขาทำเสร็จแล้ว้เหลือแต่ด้านหน้าอ่าเอาไม่เป็นไรแล้วเขาเขาว่าอย่างนั้นก็ดีแลเดี๋ยวจะจะดำเนินการให้อ่า ก็พอดีทราบว่ายังขาดอยู่ส่วนหนึ่งอ๋ออ่าแล้วเดี๋ยวจะมีหมอนี่เขาเป็นคนไปติดตามแล้วเขาจะจะได้รับทราบว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็จะได้มอบให้เขาไปทีนึงอ่าได้ ขอบคุณที่อุสตส่าห์มาบอกอก็เป็นปัจจัยของญาติโยมที่มาทำบุญนี่นงแต่ว่าเราทำอะไรไม่ก็อยากจะประกาศเพราะมันเป็นเหมือนกับมันมันเป็นเหมือนมีสองคมรือประกาศไปก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการเทียร์ไลน์เออได้ น่าสงสารว่า เ, เป็น เ, เป็นเด็กพิการทางสมองเป็นพวกออทิสติกเป็นพวกโลกเออ เ, อ, อเป็นคนที่ไม่สมประกอบทางทางสติปัญญาดูแลตัวเองไม่ได้ก็พอดีมีคุณครูคุณชูนี่เธอมีความเมตตาสร้างที่พักอาศัยที่เรียนให้กับเด็กพวกนี้โดยใช้เงินของแกเองเป็น โดยอาศัยการบริจาคของผู้มีผู้ใจบุญสนทานทั้งหลายเราก็พอดีมีคนมาขอความช่วยเหลือที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ของเป็นของทางราชการที่คุณครูพุญชูได้บริจาคที่ไปให้สางให้ทางราชการมาสร้างให้กับเด็กเหมือนกันเด็กพิการทางสมองเหมือนกันแต่จะเป็นเด็กที่มาเช้าเย็นกลับอยู่ทางด้านหลัง เขาก็มาขอขอใหไ้ไปช่วยสร้างกำแพงรั้วให้เขาแล้วก็ขอรถตู้คันหนึ่งอ่าอ่อ น, นั้นก็ได้นำเนิน ง, งานไปให้เขาเรียบร้อยแล้วทีนีอ่ ท, อทีนี้ส่วนของคุณครูบุญชูนี่ยังไม่ครบบริบวรณ์ก็มีคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลสิริกิมาชวนให้ไปไปร่วมกันทำก็โอเคก็บอกเขาว่าไป เราก็คิดว่าต่อไปก็มีท่านผู้มีจิตศรัทธาที่อยากจะบอยจากสร้างอาคารให้อีกอาคารหนึ่งเห็น ค, ค, ค, คุณคุณคุณูคุณชูบอกว่าอยากจะสร้างอาคารแยกเด็กผู้หญิงจากผู้ชายเพราะว่าเด็กผู้นี้ถ้ามันอยู่ใกล้กันแล้วมันมนเป็นเหมือนหมาเดินก <c oughs> <c oughs> ้าว ใช่ เ, เขาไม่มีสติสตังเพรจริงเด็กพวกนี้ก็เป็นเหมือนเดรัจฉานดีๆนี่เองเอ่ก็อะไรเห็นคุณครูคุณเชีวที่คุณหมอมาเล่าให้ฟังว่าอยากจะแยกตึกอยากจะให้เด็กอยู่กันคนนะตึกต อ, นนอ่าอก็ตอนนี้ก็รอให้ท่านผู้มีบอยจากมีจิตศรัทธาใจบุญพ่อเมื่อไหร่แล้วก็จะไปค่อยจะไปทำ ตอนนี้ก็ทำรู้กันให้เด็กหนีออกจากข้างนอกหนีออกจากโรงเรียนไปก่อนก็อันนี้บอกว่าไม่มีรู้วบางทีหนีออกไปวิ่งเตลอดเปิดเปิลไปไหนก็ไม่รู้ต้องไปต้องไปตามไล่ไล่จับ ก, กันมาพอดีก้าสร้างไปได้สามส่วนในสี่ส่วนส่วนที่สี่นี้ยังไม่เสร็จวันนี้คุณหมอมา มาเห็นก็เลยชวนบอกว่าให้มาช่วยกันทําส่วนนี้ให้มันเสร็จเนี่ยก็เลยไปไปไปบอกกลางคุณครูคุณ ช, ณชูว่าให้ทําไปเลยทําเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ส่งบินมาแล้วเราก็จะเอจัดการให้มีมีความไม่ตยอย่ามากเลยคนะุณครูนเรือ่า เ, เสียสละเอยคือ อาจจะเป็นเป็นบุญของเป็นเป็นวาสนาของเธอต้องมาสร้างบุญแบบนี้เนี่ยอันนั้นที่สวยก็จะไปพันธิพาด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นทานบา ร, รมีเป็นเมตตาบา ร, รมีที่เป็นพื้นฐานของการสร้างบา ร, รมีต่างต่ต่อไปถ้ามีเมตตาบา ร, รมีก็จะทาทานบา ร, รมีได้พอมีทานบา ร, รมีก็จะสร้างศีลบา ร, รมีได้ จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นคนที่ทาทานนี่จะไม่ชอบทำทาบาปจะชอบทำบุญก็จะมีศีลบารมีพอมีศีลบารมีก็อยากจะมีความสงบก็จะสร้างเนคขมมะบารมีต่อไปพอมีเนคขมมะบารมีก็จะสร้างอุเบกขาบารมีได้มีอุเบกขาบารมีก็สร้างปัญญาบารมีได้มีปัญญาบารมีก็มีมรรคผลนิพพานได้ อันนี้แหะเป็นเรื่องของแต่ละคนทุกคนจะต้องเริ่มต้นที่ด้วยความเมตตาบารมีเราต้องมีความรักความสงสารในความทุกข์ความยากลาบากของผู้อื่นมีกระจิตกระจายที่อยากจะแบ่งปันความสุขมีกระจิตกระจายที่จะบำบัดความทุกข์ยากลาบากของผู้อื่นด้วยการกระทาด้วยการเสียสละความสุขของเราให้แก่ผู้อื่นไป แล้วเราก็จะได้ความรู้สึกที่ดีกลับมาได้ความสุขได้ความอิ่มเอิบใจได้ความภูมิใจแล้วเราก็จะทาให้เรามีความเมตตาปรากฏขึ้นมามีความรักผู้อื่นจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะทาให้เรารักษาศีลเจริญศีลบารรมีได้ดังั้นขอให้เราพยายามทา แผ่เมตตาไปเรื่อยๆไปที่ไหนพอที่จะแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ใดได้เห็นใครเขาด้อยกว่าเราลาบากกว่าเรามีอะไรที่เราพอที่จะแบ่งปันให้เขาให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นหน่อยก็ทำไปหรือลดความทุกข์ของเขาให้น้อยลงไปหน่อยก็ทำไปแล้วประโยชน์จะส่วนที่เราเสียไปกับส่วนที่เราได้มานี่ต่างกันอย่างฟ้ากับดินเราเสียเงินทองเสียข้าวของไป นิดหน่อยแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือจิตใจที่มีความสุขนี่มันยิ่งใหญ่กว่าหลายร้อยเท่าเลยกันขหยพยายามแผ่เมตตาเนี่ยือวิธีแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ในห้องพระนั่งสวดสัพเพสัตตาไปแต่พอเจอใครก็แยกเขี้ยวใส่เขาด่าเขาไปทั่วทุกคนทุกแข่งอันนี้ไม่ได้แผ่เมตตาอ่า ที่สวดนั่นเป็นการเตือนสติเป็นการซ้อมว่าเราต้องมีความเมตตาต่อพู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเวลาใดพอเราเจอใครนี่พอเราโกรดนี่เราต้องหยุดความโกรธให้ได้แล้วถ้าเราไม่หยุดความโกรธเราไม่แผ่เราแผ่เมตตาไม่ออกเออเราจะจะแผ่แผ่แต่ยักษ์แผ่ต่มาหอักไปเออ อาจารย์ครับมีผู้ปฏิบัติสงสัยเรื่องตัวบุญครับในกรณีที่บุญที่เคยทําที่ผ่านมาเนี่ยอีกสิบวันข้างหน้าสิบเดือนข้างหน้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยหากนํามาละลึกถึงก็ยังได้บุญอีกอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามันนะลึกแล้มันมีนความสุขมันก็มันก็ได้แต่ถ้ามันนานเข้านานเข้ามันก็ลืมได้มันก็จางหายไป อย่างเวลาที่เราทําบุญเข้าถึงบอกให้รีบพุดทิศตอนที่เราทําเสร็จใหม่ๆเพราะความรู้สึกที่ได้จากการทําตอนนั้นมันมันยังมีอยู่เต็มที่แต่ถ้าเราร้อไปถึงเย็นแล้วบางทีมันลืมหรือว่าไปเจอกับอารมณ์ขุนัวต่างๆมาลบล้างไออารมณ์ที่เราได้ในขณะที่เราทําบุญไปแผ่ตอนนั้นมันก็จะผสมอะไรผสมทั้งดีทั้งชั่วไปนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําบุญปั๊บพระส่วน ยาถ า, าพั๊ก็แผ่มันตอนนั้นเลยแต่ไม่จําเป็นจะต้องมีพระมาสวดใหงถึงจะแผ่ได้ถึงจุดถึงจะอุทิศได้เข้าใจไห ม, มเวลาอุทิศนี่เช่นใส่บาตรเสร็จพระเดินไปแล้วก็อุทิศ ต, ตอนนั้นเลยไม่ต้องให้พระมาให้พรเรื่องของการให้พรกับการอุทิศบุญนี่มันคนละเรื่องกันแต่ญาติโยมไม่เข้าใจมามาผูกมันไว้เป็นอันเดียวกันการให้พรของพระคือเป็นการสอนเป็นการแสดงธรรม เป็นภาษาบาลีเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็เลยคิดว่าเป็นคาถาอาคมที่ทำให้เราวิเศษวิโสให้ร่าให้รวยให้ให้สุขให้เจริญอันนั้นไม่ใช่ต่อให้เอาพระร้อยรูปมาสวดร้อยวันมันก็ไม่มันก็ไม่เจริญถ้าเราไม่ได้ทำบุญพอเราทำบุญปั้มมันก็เกิดความสุขใจอันนี้แหละคือความสุขความเจริญเกิดขึ้นในใจเราแล้ ว, ลวโดยต้ไม่ต้องมีพระมายักถาสัพพีให้กับพวกเรา การสวดยาถาสัพเพนี้ก็เป็นการแสดงอนุโมทนาความชื่นชมยินดีกับการกระทำความดีของเราแ่นั้นเองนสด ง, สดงว่าหากามาระลึกถึงบุญภายหลังเนี่ยหากคงอารมณ์ปิติไว้ไม่ต่างจากตอนที่ทำเท่าไหร่ก็แสดงว่าได้ไม่ต่างจากตอนที่ทำใช่ไหมครับใช่ ถ้ามันนึกถึงแล้วทาให้จิตใจรู้สึกสดชื่นเบิกบานมีความสุขเนี่ยมันก็แสดงว่ามันยังมันยังค้างอยู่ในใจของเรายังไม่ยังไม่หมดไปหรือ ม, มันไม่ลืมไปแต่ถ้าลืมไปบางทีคิดแล้วมันคิดไม่ออกหรือไม่คิดถึงมันเลยก็มีบางทีเราทำบุญเสร็จแล้วก็ผ่านไปก็ลืมมันไปนอกจากว่าไปเจอเหตุการณ์หรือมีอะไรมาสะ ก, กิด มันแล้วทำให้มันเกิดความคิดถึงเรื่องนั้นขึ้นมามันก็ยังเกิดความสุขใจได้อาเจิญขึ้นมาอยากจะถวายของก็เชิญขึ้นมาได้ท่านที่อยากจะไปกลับบ้านก็เชิญกลับไปได้นะเพราะว่าคิดว่าคงจะเอาแค่นี้ก็แล้วกันขอให้นำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติ เพื่อความสุขและความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดแผนที่4ครับรอหนึ่งอ๋อครับรอรอห้าแผนที่เสร็จแล้วครับแต่รอเวลา